วันนี้ช่วงที่สองคื อ, อตั้งแต่บ่ายสามโมงไปแล้วเคยเป็นช่วงที่ให้ถามคำถามคำตอบเป็นภาษาไทยแต่วันนี้จะเป็นช่วงคำถามคำตอบเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นคำถามภาษาไทยก็คล้องไว้ นอกจากว่ามีท่านผู้ใดตอนนี้มีความประสงค์อยากจะถามก็จะเปิดโอกาสให้ถามก่อนในช่วงนี้เลยถ้าใครอยากจะถามอะไรเชิญเข้ามาหยิบไม่ถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่มีใครถามเดี๋ยวก็จะเริ่มพูดธรรมะไปจนถึงจนถึงเวลาประมาณสามโมงถ้าไม่มีใครถามก็จะพูดธรรมะให้ท่านฟังต่อไปวันนี้จะเอาเรื่องของ ความสวยความงามมาฝากท่านพอยุคนี้เห็นมีความสนใจมีความให้ความสำคัญต่อการเสริมสวยความงามทางร่างกายกันเนื่องจากมีความเจริญก้าวหน้าในทาง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆสามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อเสริมสวยความงามทางร่างกายแต่ความงามทางร่างกายนี้เป็นความงามปลอม เพราะเป็นความงามชั่วคราวร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆความสวยความงามของทางร่างกายก็จะจางหายไปไม่ว่าจะใช้วิธีการใดมาเสริมก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะต้านความเสื่อมของทางร่างกายไปได้เราจึงเรียกว่าเป็นความงามปลอมความสวยความงามปลอมเพราะมันไม่จีรังถาวรเรามีความสวยความงามอีกแบบหนึ่งที่นักปราดคนฉลาด เรียกว่าเป็นความสวยความงามที่แท้จริงเป็นความสวยความงามที่จรังถาวรไม่ได้เสื่อมไปกับความเสื่อมของทางร่างกายความสวยงามที่แท้จริงนี้ก็คือความสวยงามทางจิตใจนี้เองจิตใจนี้ไม่มีวันแก่ ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายความสวยงามที่เสริมที่สร้างกันขึ้นมาในจิตในใจจะไม่สูญหายไปเหมือนกับความสวยงามทางร่างกายที่จะต้องสูญหายไปต า, ไตามการตามเวลาของร่างกายและความสวยความงาม ของจิตใจนี้มีอิอนุภาพมากกว่าความสวยความงามทางร่างกายจะจะชนะใจคนได้นี้ต้องชนะด้วยความสวยงามทางจิตใจทางร่างกายอาจจะชนะได้เพียงเดี๋ยวเดียวเวลาที่พบกันใหม่ๆ าจะเห็นความสวยงามทางร่างกายก่อนแต่พอไปอยู่ด้วยกันถ้าจิตใจไม่สวยงามเหมือนกับทางร่างกายเดี๋ยวความไม่สวยงามของทางจิตใจก็จะมาทำให้ผู้ที่รักที่ชอบไม่ชอบได้ไม่รักได้เพราะความสวยงามทางร่างกาย มีอิทธิพลน้อยกว่าความสวยงามทางจิตใจนั่นเองลองเปรียบเทียบดูถ้ามีคนมีรูปร่างสวยงามทางร่างกายแต่จิตใจไม่สวยงามจิตใจชั่โกงจิตใจไม่ซื่อสัตย์สุดจริตจิตใจที่หยาบคาย เวลาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาก็ปล่อยสัตว์ชนิดต่างๆออกมาทางวาจาถ้าถ้าความไม่สวยงามของจิตใจได้รับการแสดงผลออกมาแล้วความสวยงามของทางร่างกายไม่ว่าจะสวยในระดับไหนก็ตาม ก็จะถูกทําลายไปหมดถูกความไม่สวยงามของทางจิตใจทําลายไปในทางตรงกันข้ามถ้าร่างกายไม่สวยไม่งามแต่จิตใจสวยงามนีม่ใหม่ๆอาจจะไม่ชอบเพราะเห็นร่างกายแล้วไม่มีความดูดดื่มใจแต่พอได้อยู่ร่วมกันไป ได้เห็นความสวยความงามของจิตใจโผล่ออกมาเห็นความซื่อสัตย์สุดจริตเห็นความเรียบร้อยความสุภาพเรียบร้อยความซื่อตรงก็จะทำให้เกิดความรักความชื่นชมถึงแม้ว่าทางร่างกายจะไม่สวยไม่งามแต่อย่างใด ก็ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้มีความสวยงามทางร่างกายแต่อย่างใดศีรษะก็โลนไม่มีการเสริมสวยความงามด้วยเครื่องสมมางต่างๆไม่มีการเสริมสวยความสวยงามด้วยเสือ้อผ้าพรที่มีจิตพิสดาร แต่ท่านมีความสวยงามทางจิตใจจิตใจท่านมีศีลมีสัตว์ท่านมีความเมตตากรุณามีมุนิตาอุเบกขาอยู่กับใครก็มีแต่คนรักคนเคารพความชื่นชมยินดีที่จะคบค้าสมาคมด้วย เพราะไม่มีพิษมีภัยกับใครนี่แหละคือความสวยงามที่แท้จริงสวยงามที่จิตใจและความสวยงามทางจิตใจนี้ไม่มีวันจืดไม่มีวันสางสวยไปตลอดอย่างที่ให้พร ญ, ญาติโยมเสมอว่าขอให้สวยไม่สางขอให้บานไม่รู้โรย อันนี้หมายถึงความสวยงามทางจิตใจเพราะจิตใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายความสวยงามจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มความสวยงามเพิ่มขึ้นไปตามลําดับจนเป็นความสวยงามขั้นสูงสุดคือขั้นพระพุทธเจ้า ข่านพระอาหลานตสาวกนี่ยนะคือความสวยงามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตัสาวกทั้งหลายเน้นให้พวกเราพยายามสร้างกันขึ้นมาอย่าไปเสียเวลาเสริมสร้างความสวยงามปลอมกันเลยเพราะเสริมได้ไม่นานมันก็หมดเนี่ย วันหนึ่งก่อนจะออกจากบ้านก็ต้องเสริมสวยความงามทางร่างกายกันพอกลับมาบ้านพอมาร่างหน้าร่างตาอะไรสักพักหนึ่งก็หายไปหมดแล้วสวยเดียเด๋ยวๆสวยชั่วคราวท่านเองแต่ความสวยทางจิตใจนี่สวยตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด ดังนั้นถ้าอยากจะให้เป็นที่รักของบุคคลต่างๆดั ง, ง, ง, งในอนันทีสองของการมีความเมตตาท่านแสดงไว้ว่าผู้มีความเมตตาย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะปกป้องคุ้มครองรักษาคนดีคนที่มีความเมตตาเทวดา จะไม่ได้ไปปกป้องรักษาคนที่สวยทางร่างกายแต่ไม่สวยทางจิตใจอย่างนั้นถ้าอยากจะให้เป็นที่รักของผู้อื่นของทั้งมนุษย์และของเทวดาขอให้เรามาเสริมความสวยงามทางจิตใจกันดีกว่าเสริมด้วยพรมวิหารสีเนี่ย ความวิหารสีคือเครื่องสำอางเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สวยให้งามให้เป็นที่รักที่ชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยจะไปอยู่ที่ไหนกับใครจะไม่มีใครรังเกียจไม่ว่าร่างกายจ ะ, ะเป็นชนชาติใดชั้นใดวรรณะใดผิวดำผิวขาว ผิวเหลืองผิวอะไรก็ตามจะไม่เป็นปัญหาถ้ามีความสวยงามทางจิตใจจะมีคนรักคนชอบเสมอ ด, ดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการนำเอาไปแปลเป็นภาษาต่าง อชนใดชาติใดได้อ่านคำสั่งคำสอนได้เรียนรู้ถึงความสวยงามของพระพุทธเจ้าก็เกิดมีความรักเกิดมีความศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีทั้งๆที่ไม่เคยได้พบได้เคยเห็นตัวเลยเพราะตัวคือร่างกายของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ตายไปนานแล้ว แต่ความสวยความงามของจิตใจของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมก็คือผู้ที่ได้ศึกษาธรรมได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอย่างไรสวยงามด้วยอะไรจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีรูปภาพของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีพระพุทธรูปก็ได้ถ้ามีพระธรรมพระพุทธเจ้าท่งพูดกับภาพรูปหนึ่งที่ไปปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อที่จะ ถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเราเป็นพระธรรมคําสอนเราอยู่ในพระธรรมคําสอนของเราถ้าเธออยากจะเห็นเรารู้จักเราขอให้เธอไปศึกษาพระธรรมคําสอนตัวพระพุทธรูปนี้เป็นเพียงตุ ก, กตาตัวหนึ่งนั่นเองที่ปั้นมาจากดินนึอปั้น มาจากโลหะชนิดต่างๆไม่มีความสวยความงามในพระพุทธรูปไม่มีไม่สร้างความดูดเดิมใจให้กับผู้ได้พบปะได้เห็นแต่ธรรมะคำสอนของเรานี่แหละที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัส ร, รับรู้นี่คือ เรื่องของความสวยงามที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตายไปแล้วต้องสองพันห้าร้อกว่าปีแต่ความสวยความงามของพระพุทธเจ้านี้ไม่จืดจางหายไปเลยเป็นเหมือนสวยไม่สาง่งบาลไม่รู้เลยใครมาได้ยินได้ฟังธรมได้นำอาไปปฏิบัติได้สัมผัสกับรสที่เกิดจากการปฏิบัติแล้ว จะรักจะเคารพพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามมาก่อนก็ตามแตนั่นไม่ได้เป็นตัวของพระพุทธเจ้าตัวของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เองนี่แหละคือความสวยความงามที่พวกเราถ้ายังอยากให้คนเขารักเราชอบเรา อยู่กับเราไปนานๆขอให้มาเสริมสร้างความสวยงามทางจิตใจกันแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังคนเรารักกันจริงๆไม่ได้รักกันที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้รักกันที่ทรัพสมบัติข้าของเงินทองแต่รักกันที่น้ำใจถ้าไม่มีน้ำใจแล้วต่อให้มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง กองเท่าภูเขามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามอย่างไรก็ตามก็จะไม่สามารถดึงดูดจิตใจของผู้อื่นให้รักให้เคารพได้แต่ถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินเท่าไม่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่มีจิตใจที่สวยด้วยคุณธรรมทั้งสี คือเมตตากรุณาุดิตาอุเบกขาจะเป็นที่รักของคนทุกคนที่ได้มาเกี่ยวข้องได้มาพบปะก็ดูพระทั้งหลายพระครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายหน้าตาท่านก็เหี่ยวย่นสีษาก็ลนลนผ้าก็มีอยู่ชุดเดียว ผ้าเหลืองชุดเดียวแต่ทำไมท่านจึงเป็นที่รักเคารพของบุคคลอย่างมากมายเพราะท่านมีเมตตามีการุณามีมุดิตามีอุเบกขานั่นเองนี่คือหลักประกันของความสวยงามที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถ้าเราเพียงแต่คิดกันสักหน่อยเราจะเราก็จะเห็น ความจริงของความสวยงามที่แท้จริงว่าไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจดังนั้นแทนที่จะไปคอยเสริมสวยความงามทางร่างกายก็มาเสริมสวยความงามทางจิตใจกันดีกว่าความสวยความงามทางร่างกายก็ทำพอประมาณคือทำแบบเรียบง่ายไม่ต้อง ผิดธรรมชาติล้างหน้าล้างตาให้สะอาดหวีผาหวีผมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดก็พอแล้วสำหรับความสวยงามของร่างกายเอาเวลาเอาเงินทองมาเสริมสวยความงามทางด้านจิตใจกันจะดีกว่าและความสวยงามทางจิตใจนี้ให้ความสุขมากกว่าความสวยงามทางร่างกายด้วย ความสวยงามทางร่างกายให้ความสุขเดียวเดียวแล้วก็ให้ความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆพอมองเข้าไปกระจกพอเห็นพอเริ่มเห็นว่าไม่สวยงามความวิตกความกังวลก็จะเกิดขึ้นมาทันทีต้องคอยไปเสริมต้องคอยไปแต่งคอยไปแก้เพื่อรักษาความสวยความงามไว้อยู่เรื่อยๆ บางทีก็รักษาไม่ได้บางอย่างเช่นมีสิวมีฝ้าอะไรขึ้นมาบางทีก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไปปกใบปิดมันได้ก็จะทำให้จิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจไม่มีความมั่นใจในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจมีความสวยความงาม ถึงแม้ร่างกายจะไม่สวยไม่งามจิตใจจะมีความมั่นคงจะมีความมั่นใจในตนเองจะมีความสุขในตนเองไม่ว่าจะมีใครชื่นชมหรือรักหรือยินดีหรือไม่ก็ตามพอ ร, รู้ว่าเขาไม่ได้ยินดีในตัวเราเขาไปยินดีในร่างกายของเราซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราตัวเรานี่แหละคือจิตใจ เมื่อเขาไม่ยินดีเขาไปยินดีในร่างกายเดี๋ยวต่อไปร่างกายไม่สวยไม่งามเขาก็จะทิ้งเราอยู่ดีแต่ถ้าเขายินดีในจิตใจของเราเขาจะยินดีไปเรื่อยเพราะความสวยความงามของจิตใจนี้มันไม่มีวันเสื่อมเพราะถ้าเราเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของความสวยงามของจิตใจ เราก็จะคอยรักษาจะคอยพัฒนาความสวยงามของจิตใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับแทนที่จะความสวยงามจะเสื่อมไปกับการกับเวลาความสวยงามทางจิตใจกับจะเจริญเพิ่มมากขึ้นไปตามการตามเวลายิ่งปฏิบัติเพิ่ม ปลมวิหารจีให้มีมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีความสวยยิ่งมีความงามเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับนี่คือสิ่งที่พวกเราที่รักสวยรักงามอยากจะให้คนเขารักเราชอบเราขอให้เรามาเสริมสวยความงามที่แท้จริงดีกว่าอย่าไปเสริมสวยความสวยความงามปลอมกัน เพราะไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องรู้ว่าเป็นความสวยความปลอมความสวยงามปลอมพอไม่สวยงามทางร่างกายแล้วก็จะไม่มีใครชื่นชมยินดีไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ด้วยแต่ถ้ามีความสวยความงามทางจิตใจร่างกายจะแก่ อ, อย่างไรจะไม่สวยงามอย่างไร ก็ไม่มีปัญหาคนยังอยากจะเข้าหาอยู่ดูบรรดาหลวงปู่หลวงตานั่งรถเข็นนอนอยู่บนเตียงก็ยังมีคนอยากจะเข้าไปกราบไปไหว้กันอ่านี่แหละคือความสวยงามที่แท้จริงต้องสวยงามด้วยจิตใจจิตใจจะสวยงามได้ก็ต้องมีเครื่องเสริม ความสวยงามเครื่องสำอางของจิตใจก็คือเมตตากรุณามุด้ดตาอุเบกขาคุณธรรมที่เสริมสวยความงามของจิตใจเมตตานี้ก็มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคำว่าเมตตาก็คือความมีไมตรีจิตมองทุกคนเป็นเมตต์ ไม่ถือว่าเป็นศัตรูกันถึงแม้เขาจะร้ายเขาจะเลวเขาจะทำอะไรเสียหายให้เกิดขึ้นกับเราเราก็ยังมองเขาเป็นมิตรอยู่ถ้าเราเป็นคนที่มีความเมตตาเราจะไม่มองเขาเป็นศัตรูเพราะนี่คือความเมตตาความหมายของความเมตตา คนที่มีความเมตตาจะไม่มีศัตรูกับใครจะไม่เป็นศัตรูกับใครถึงแม้จะถูกเขาทาร้ายทําความเสียหายให้มากน้อยเพียงไรก็ตามแต่จิตใจจะไม่ถือความโกรธไม่ถือความอาฆาตพยาบาทจะให้อภัยอยู่ตลอดเวลานี่คือคุณสมบัติข้อแรกของของความเมตตา คือไม่จองเวรจองกรรมใครใครจะพูดจะทำร้ายเราเราจะให้อภัยเขาไปเพราะการให้อภัยทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจเย็นสบายความอาฆาตพยาบาททำให้จิตใจร้อนจิตใจทุกข์และจะทำให้จิตใจร้ายกาจขึ้นมามกลายเป็น คนไม่ดีไปถึงแม้ว่าเหตุผลที่ไปทำร้ายผู้อื่นจะมีเหตุผลก็ตามแต่พอทำไปแล้วในสายตาของผู้อื่นเขาก็จะหวาดกลัวกับการกระทำของเราถ้าเราไปทำร้ายผู้อื่นเพราะว่าเขาทำร้ายเราแต่เขาจะไม่ได้มองที่ผู้อื่นที่มาทำร้ายเราเขาจะมองที่เราไปทำร้ายผู้อื่น เขาจะตัดสินเราว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนร้ายกาจฉะนั้นเราต้องรู้จักให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมกันบทสวดเมตตาที่พวกเราสวดกันเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์นี้ยังไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสอนหรือเป็นการทบทวนความจำ ให้เรารู้จักว่าการที่เราจะมีความเมตตากับผู้อื่นได้นั้นเราต้องทำอย่างไรออก็คือหนึ่งอเวลาโหนตุอย่าจองเวรจองกรรมกันอับยาปชาโหนตุอย่าเบียดเบียนกันอนิคาโหนตุอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจกัน สุขีอัตานังปาริหารันตุจงให้ความสุขแต่ต่อกันนี่คือคุณลักษณะของผู้ที่มีความเมตตาจะทำสี่ลักษณะนี้เวลาโกรธใครเวลาใครเ็าทำให้เราเดือดร้อนเสียหายเราก็จะไม่โกรธตอบเราจะไม่ล้างแค้นจะไม่จองเวรจองกรรม เราจะให้อภัยไม่เอาเรื่องเอาเราวเพราะการจองเวรจองกรรมจะถูกเขากลับมาจองเวรจองกรรมเราถ้าเราไปล้างแค้นเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาล้างแค้นเราแล้วมันจะกลายเป็นสงขามขึ้นมาถ้าเขาด่าเราเรากลับไปด่าเขาพอไปด่าเขาเขาก็มาตีเราพอเรากลับไปตีเขาเขาก็กลับมาฆ่าเรา แต่ถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาด่าเราแล้วก็จบเราไม่ไปตอบโต้เรื่องมันก็จบที่มันบานปลายก็เพราะว่าไม่รู้จักให้อภัยกันเราต้องมองคนที่พูดร้ายทำร้ายว่าเป็นคนเป็นเหมือนกับเด็กเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้เป็นเหมือนเด็ก เวลาเด็กอรารวาเราไม่ไปโกรธเด็กเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กเขายังไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วว่าเป็นอย่างไรเราก็ทำได้ก็เพียงแต่อยู่ห่างๆเขาปล่อยให้เขาระบายอารมณ์ของเขาไปเดี๋ยวหมดแล้วเขาก็จะมาสานึกผิดในตัวเขาเองพอเขาได้สติกลับขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าเขานี้ไม่ดี เราไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าเขาให้เขารู้ด้วยตัวเขาเองดีกว่าถ้าเราไปด่าไปว่าเขาแทนที่เขาจะยอมรับความไม่ดีกับทาให้เขากลับมาโกรธมาเกลียดเราขึ้นมาอีกก็ได้นะฮะดังนั้นเราต้องหัดเจริญการให้อภัยกันคิดเสียว่า การสูญเสียของเรานี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเก่อมาแล้วเดี๋ยวในที่สุดตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่อย่าเสียความสวยความงามทางจิตใจไปด้วยจะดีกว่าต้องรักษาความสวยความงามของจิตใจไว้ด้วยการไม่จองเวร เ, เวลาโหนตัวพอเราไม่ไปจองเวรไม่ไปทา เขาพูดเขาด่าเราเราไม่กลับไปด่าเขาเขาก็เป็นคนน่าเกลียดคนเดียวแต่ถ้าเรากลับไปด่าเขาเราก็เป็นคนน่าเกลียดไปกับเขานั่นเองเราก็ไม่ไปดีกว่าเขาเท่าไหร่อยังสมัยหนึ่งช่วงที่มีปัญหากับขเขมรประเทศสถานทูตไทยถูกขเขมรเผาคนไทยเราอยู่กรุงเทพก็เดือดแค้นขึ้นมา จะไปเผาสถานทูตเขมรที่กรุงเทพในหลวงรัชการที่วทราบเข้าท่านก็บอกว่าตอนนี้เราดีนะเราเป็นคนดีเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาแต่ถ้าเราไปเผาบ้านเขาแล้วเราก็เลวเท่าเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาแต่อย่างใดในหลวงท่านให้สติให้เรามีความเมตตาเราเป็นเพื่อนบ้านเรา บางเวลาเขาอาจจะมึนเมาไม่มีสติควบคุมอารมณ์เราอย่าเราเป็นคนมีสติเราอย่าไปเมาอย่าไปบ้าตามเขาเข า, าบ้าปล่อยให้เขาบ้าไปเดี๋ยวเขาได้สติเขาก็จะหายบ้าเองแล้วเขาก็จะเห็นความงุความดีงามของเราว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาเป็นการตอบโต้แต่อย่างใดนี่คือ คุณลักษณะของผู้มีความสวยงามทางจิตใจต้องมีความเมตตาต้องไม่จองเวรจองกรรมใครเมื่อเมาไม่จองเวรจองกรรมต่อไปเราจะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรกันที่เรามีเจ้ากรรมนายเวรก็เพราะว่าเราไปจองเวรจองกรรมเขาเราไปร่างแค้นเขาทําอะไรเราเราก็กลับไปร่างแค้นเขา พอเราไปร่างแค้นเขาก็อยากจะกลับมาร่างแค้นเราแล้วการจองเวรจองกรรมมันก็ตามข้ามภพข้ามชาติด้วยไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะจบเดี๋ยวชาติหน้าไปเกิดไปเจอกันใหม่ที่ไหนก็จะเกียดขี้หน้ากันขึ้นมาทันทีสังเกต ด, ดูทำไมคนบางคนเราเจอแล้วเราไม่ชอบเลยนั่นแหละก็เพราะว่าเราถือว่าเขาเป็นศัตรตูกับเรา เราเลยไม่ชอบเขาแล้วมันจดจาได้ในใจเนี่ยใจมันจำได้มันไม่ได้จำที่ร่างกายรูปร่างหน้าตามันจำที่กิริยาอาการกิริยาการของคนเราไม่เปลี่ยนต้องสังเกตดูไม่เคยเจอเพื่อนฝูงมายี่สิบสามสิบปีเวลาเห็นหน้าตานี่จำไม่ได้หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะแต่พอพูดออกมานี่จจาเสียงมันได้เสียงมันไม่เปลี่ยน กิริยาการมันไม่เปลี่ยนวิธีการพูดไม่เปลี่ยนนี่ที่เราจดจาคนได้เขเพราะเพราะเราไปดูที่ใจเขาการแสดงออกของใจทางวาจาทางกิริยาท่าทางเดินยืนนั่งนอนนี่นี่มันไม่เปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนรูปน้างหน้าตาเปลี่ยนแต่กิริยาการนี้มันไม่เปลี่ยนเราจึงเวลาเจอคนเราจึง มักจะมีความรู้สึกรักหรือชอบหรือหรือไม่ชอบขึ้นมาเพราะเราเห็นกิริยาการของเขาที่เราเคยชอบหรือไม่ชอบนั่นเองอันนี้มันข้ามมันตามไปพบหน้าชาตินะทําทไมคนนี้เขาไม่ชอบเราเลยเราพยายามทําความดีเขาก็มาคอยกีดขวางมามาทําร้ายเราอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เราก็ไม่เคยไปทําอะไรเขาเลยะ ใช่ชาตินี้เราอาจจะไม่เคยไปทําอะไรกับเขาแต่ชาติก่อนนี่เราคงไปทําอะไรเข้ามาเขาก็เลยไม่ชอบไม่รักเราแต่ไมคนนี้รักเราชอบเราอ่ะก็เพราะว่าเราเคยทําความดีกับเขาทําเราเป็นมิตรกับเขาพอมาเกิดชาตินี้เขาก็จะจําได้เขาก็จะรักจะชอบเราดฉะนั้นขอให้เรามาสร้างความเมตตากันดีกว่า ถ้าอยากจะให้คนเขารักเขาชอบเราอันนี้เป็นความสวยความงามที่แท้จริงนอกจากไม่จองเวลแล้วข้อที่สองของการมีความเมตตาคืออะไรก็คือไม่เบียดเบียนกันคือไม่ไปทำอะไรแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าจะกินเหล้าก็กินในห้องันกินในบ้านเสร็จแล้วก็อย่าไปเจอใคร พาเวลาเมาแล้วเดี๋ยวพูดจาไม่ไพเราะหรือไปทำร้ายเข้าของของคนอื่นได้รเรียกว่าเบียเดเบียนไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่คอ ม, มีความเมตตาจึงต้องมีความระมัดระวังเวลาจะทำอะไรนี้ต้องดูผลกระทบต่อผู้อื่นว่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนหรือเปล่า ไปทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่าทำให้เขาเสียทรัพย์สินหรือเปล่าอันนี้ทาให้เขาเสียผลประโยชน์หรือเปล่าถ้าเกิดการสูญเสียต่อบุคคลอื่นเราก็ควรจะระงับการกระทาของเราเลือกหาทำวิธีที่จะไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนี่เรียกว่าการไม่เบียดเบียน วิธีไม่เบียดเบียนก็คือการถือศีลห้านี่เดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรายาเมาเนี่ยถ้ารักษาศีลห้าได้เวลาทําธุรกิจการค้าทําอะไรก็จะไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันเมื่อเราไม่เบียดเบียนเขาเขาก็จะไม่มาเบียดเบียนเรา เขาก็จะไม่โกรธเราไม่เกลียดเราเขาก็จะชอบเราเนี่อย่างน้อยเขาก็ไม่โกรธไม่เกลียดเราเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เพราะเรายัางไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาชอบถ้าเราอยากให้เขาชอบเราเราต้องให้ทำให้เขามีความสุขเราต้องมีการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นเหมือนตอนปีใหม่นี่เราส่งความสุขให้กันตอนคริสต์มาสนี่เป็นซันท์คราสกัน ทำไมเป็นแค่วันเดียวทำไมไม่เป็นทั้งปีถ้าเป็นสนัญลักษณทั้งปีนี่คนรักเราทั้งปีใช่ไหมฉะนั้นถ้าอยากจะให้คนอื่นเขารักเราชอบเรานอกจากไม่จองเวรจองกรรมไม่เบียดเบียนแล้วเราก็ต้องให้ความสุขกับเขามีขนมขนมอะไรก็อามาแบ่งกันมีของเหลือเฟือ ใช้ไม่หมดก็เอาไปแจกกันเอาไปให้คนอื่นเขามีความสุขพอเขาได้รับความสุขจากเราเขาจะเกลียดเราได้อย่างไรแม้แต่คนที่เคยเกลียดเราเขาก็เปลี่ยนมารักเราชอบเราได้เอาชนะใจคนด้วยความเมตตาดีกว่าไม่อย่าไปบีบบังคับให้เขามารักมาชอบเราด้วยตาแหน่งด้วยยศด้วยตำแหน่ ง, ยย ห, นงหรือด้วยเงินทองไม่สามารถที่จะมาบีบบังคับใจของคน ให้มารักมาเคารพเราได้ถึงแม้จะเป็นเจ้านายเราก็ตามแต่ถ้าเราให้ความสุขกับเขาเนี่ยไม่ต้องไปบังคับเขาหรอกเขาก็จะรักเราชอบเราขึ้นมาแล้วอีกข้อนหนึ่งของความเมตตาก็อย่าไปทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเวลาจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนพูดไปแล้วนี่บางทีไปทําร้ายจิตใจของผู้อื่นทำให้เขาเสียใจหรือ ทำอะไรก็อาจจะทําให้เขาเจ็บตัวขึ้นมาฉะนั้นต้องระมัดระวังเวลาที่เราอาอยู่ร่วมกันเวลาจะพูดจะทําอะไรอย่าไปทําให้เกิดความเสียหายทางร่างกายและจิตใจแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักอยู่กับใครที่ไหนก็จะมีแต่คนนักคนชอบเรา และความเมตตานี้ก็จะทำให้เรามีความสุขในตัวของเราเองอนะฮอานิสงของความมีเมตตานี้พระเจ้าทรงทรแสดงไว้ว่าอยู่เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะรักษาคุ้มครอง จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเพราะไม่มีใครเขาโกรธเขาเกลียดเราที่จะมาคิดฆ่าเราด้วยอาวุธด้วยยาพิษต่างๆแล้วก็จะมีผิวพรรณหน้าตาผ่องใสคนที่มีความเมตตานี้จะมีโงแหงมีความมีหน้าตาที่มีรัศมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสถ้า ฝึกสมาธิถ้านั่งสมาธิจิตใจก็จะสงบง่ายก็ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวอยู่ภายในใจให้มาเป็นนิวร์มาคอยขัดขวางความสงบแล้วก็ถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติถ้าไม่ได้ไปสู่ภพที่สูงกว่าคือภพของพระอริยเจ้าตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ น, นี่คือประโยชน์ ที่เราจะได้รับจากการเสริมสวยความงามด้วยความเมตตาเครื่องสำางชนิดที่สองที่เราต้องใช้ในบางโอกาสก็คือความกรุณาความกรุณาก็คือความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นสงสารอย่าเป็นคนใจจืดใจดำใจแคบ ถ้าเราเห็นใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วเราพอที่จะช่วยเหลือกันได้เราควรที่จะช่วยเหลือกันเพราะจะบรรเทาความทุกข์ความความทุกข์ความยากลําบากของผู้อื่นได้ทําให้เขามีกําลังใจที่จะอยู่ต่อสู้กับชีวิตต่อไปถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเวลาที่เขาทุกข์ยากลําบากเขาก็อาจจะไม่มีกําลังใจ อาจจะทำให้เขาคิดฆ่าตัวตายและบางทีก่อนจะฆ่าตัวตายก็คิดไปฆ่าคนอื่นก่อนนั่งนั่งแค้นในฐานะที่ไม่มีใครเห็นใจเขาเลยพอเขาเสียใจน้อยใจเขาก็จะโทษคนอื่นได้ว่าคนอื่นไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยมีแต่เอารัดเอาเปรียบเขาเพียงอย่างเดียวมันก็จะทำให้เขาเกิดความเครียดแค้นฆ่ า, าพยาบาบัตร ความที่จะฆ่าคนอื่นก่อนที่จะฆ่าตัวตายไปแต่ถ้าเขาได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนเวลาเข้ามาขอความช่วยเหลือถ้าเราอยู่ในฐานะที่ควรจะช่วยเหลือเขาได้เราก็ไม่ควรดูดายช่วยเหลือเขาแล้วบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาแล้วความความเครียดแค้นในใจของเขาก็จะบรรเทาลงความคิดผิดก็จะหายไป แล้วเขาก็จะอยู่ในสังคมต่อไปได้โดยที่ไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาบางทีเขาก็ต้องไปเท้าเขาขาดแคลนข้ า, ขาวเ ข, ว ข, า, วกขาก็ต้องไปลักขโมยถ้าไม่มีข้าวกินเขาก็ต้องไปลักขโมยข้าวไม่มีเสื้อผ้าใสต้องไปขโมยเงินขโมยทองเพื่อไปซื้อของจำเป็น อย่างแม่ลูกก่อนไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกก็ต้องไปขโมยนมมาเลี้ยงลูกอย่างนี้คนที่เป็นเจ้าของร้านน่าจะดีใจที่ได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานควรจะให้เขาไปฟรีๆดีกว่าจะได้บุนได้ประโยชน์ดีกว่าไปแจ้งความให้ตำรวจมนาะจับเขาไปขังคุกขังตลางอขอเรามันบางทีอยู่ด้วยกันมันก็ต้อง ดูแ ล, แลกันว่าคนเรามันไม่แน่นอนอดวงชะตาของคนเราแต่ละคนมีขึ้นมีลงไม่มีใครรู้ว่าจะตกต่ําเมื่อไหร่เมื่อเราตกเมื่อเขาตกต่ําเรายังเรายังเดินได้เราก็ควรที่จะช่วยพยุงเขาให้เขาลุกขึ้นมาเดินให้ได้คือช่วยแบบให้เขาช่วยตัวเองได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องช่วยเขาไปตลอดช่วยถ้าเขา ขาดแคลนเดือดร้อนเราก็ช่วยในสิ่งที่เขาขาดแคลนเดือดร้อนเพื่อให้เขาได้ยืนขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ไปช่วยตัวเองเขาได้ต่อไปแต่ไม่ควรช่วยแบบอุ้มเขาไปตลอดไม่ให้เขาต้องทำอะไรคอยเลี้ยงดูเขาเขาขาดแคลนอะไรก็คอยมาหายหาให้เขาตลอดเวลาถ้าช่วยแบบนี้ไม่ได้เป็นการช่วยเขาเป็นการเป็นการ กดเขาลงไปมากกว่าเพราะว่าทำให้เขาเป็นเหมือนคนพิการไปเพราะเขาจะไม่รู้จักช่วยตัวเองอย่ามีสุภาษิตเขาที่เขาพูดว่าอย่าให้ปลาเขาไปให้วิธีหาปลาเขาดีกว่าสอนให้เขารู้จักวิธีหาปลาพอเขารู้จักหาปลาเองแล้วเขาก็ไม่ต้องมาขอปลาเราอยู่เรื่อยๆถ้าเราคอยให้ปลาเขาทุกครั้งที่เขามาขอ เดี๋ยวปลาหมดเขาก็ต้องกลับมาขอใหม่เพราะเขาไม่รู้จักหาปลาเองปลานี้ก็คือเงินทองก็ได้เวลาใครมาขอเงินทองก็ให้ช่วยให้เขาหาเงินทองดีกว่าสอนวิธีหาเงินทองหรือพาให้เขาช่วยให้เขาหางานให้เข า, เขาถ้ารู้จักใครก็ฝากเขาไปให้เขาได้มีงานทำพอเขามีงานทำแล้วเขาก็จะได้พึ่งตนเองได้ เขาก็จะได้ไม่มาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะนี่คือความการุณาข้อที่สองซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเวลาเราเจอหรือพบปะใครหรือคนที่เรารู้จักบางทีเขาเดือดร้อนเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครเขาก็อาจจะมาหาเราเราก็อย่าไปมองว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับกาฝากที่จะมาเกาะกินเรา คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้เราได้เสริมความสวยความงามของจิตใจของเราขึ้นมาเหมือนมีคนเอาเครื่องสําอางคุณภาพดีมาขายเราเราต้องดีใจรีบซื้อรีบซื้อความกรุณารีบช่วยเหลือเขาไปแต่ให้ช่วยเหลือแบบมีขอบมีเขตช่วยเหลือในหลักของมนุษยธรรมคือในสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพถ้าไม่มีอาหารไม่มี เครื่องนุง่งห่มไม่มียารักษาโรคไม่มีที่อยู่อาศัยก็ช่วยหาให้เขาอันนี้แม้แต่ตำรวจยังต้องช่วยคนคนร้ายเวลาไปจับคนร้ายเกิดการต่อสู้กันคนร้ายถูกยิงบาดเจ็บยังต้องพาไปส่งโรงพยาบาลอันนี้เป็นการช่วยเหลือในหลักของมนุษยธรรมนี่ทุกคนควรจะช่วยกันในระดับนี้ช่วยให้เขา อยู่ได้ยืนได้แล้วก็ให้เขาช่วยตัวเองได้ต่อไปอันนี้จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เป็นสังคมที่แร้นแค้นเหมือนประเทศบางประเทศร่ำรวยแต่ปล่อยให้คนของเขานอนอยู่ข้างถนนไม่รู้ปล่อยได้ยังไงในเมื่อมีมาเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นเป็นหมื่นล้านแต่ปล่อยให้คนไม่มีเงิน ไม่มีงานต้องนอนอยู่ข้างถนนก็ไปมองเขาว่าเป็นเหมือนกับคนเกลียดข้านคนที่เกลียดไปไม่เคยคิดว่าคนทุกคนเขาก็มีศักดิ์มีสีอยากจะเป็นคนที่ไม่ไปพึ่งพาสายไข่แต่บางทีบางเวลาชีวิตมันไม่มีมันไม่อำหน่วยตกงานหางานไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ก็เลยต้องกลายเป็นคนข้างถนนไปนี่ย <Yeah. Yeah. S 2> พราขาดความเมตตาขาดความกรุณาในสังคม mm hmm. ทุกคนเน้นในทางอัตตาหิอั ต, ตนโนนาโธมากเกินไป mm hmm. ตอนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ก็เป็นความถูกต้องตนเป็นที่พึ่งของตนในกรณีที่ทุกคนสามารถที่จะพึ่งตนเองได้น yeah. แต่ในกรณีที่พึ่งตนเองไม่ได้จะทั้งทำยังไงก็ต้องช่วยกันไปดูแลกันไปตามอัตภาพตามความเหมาะสมนี่คือสิ่งที่สังคมทางที่จเจริญทางวัตถุอาจจะขาดแคลนกันก็คื อ, อความกรุณาเพราะกับใบมองเห็นความกรุณาเป็นการส่งเสริมความขี้เกียจส่งเสริมความเห็นแก่ตัวของผู้อื่นไป ซึ่งในบางกรณีก็อาจจะเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่ขี้เกียจคนที่เห็นแก่ตัวนี่ก็มีบ้างแต่ไม่ได้เป็นทุกกรณีไปเราก็สามารถแยกแยะได้ว่าดูเขาเป็นคนขี้เกียจเลือกเป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็อยากไปให้เขาปลอบปล่าให้แล้วก็ต้องให้เขามีทำอะไรเป็นการตอบแทนไม่ใช่ให้แบบแบบมือให้ไปแบบขอทาน นี่เือเรื่องของความกรุณนาที่จะทําให้สังคมนี้เป็นสังคมที่มีคนสวยงามคนเราจะสวยงามกันได้ก็เพราะมีความสงสารมีความช่วยเหลือกันแล้วกันไม่ใจจืดใจดำนี่คือเรื่องของความสวยความงามของจิตใจข้อที่สองข้อที่สามก็คือ มูนิตาคือความยินดีในความสุขความเจริญของผู้อื่นโดยเฉพาะคู่ต่อสู้ของเราเช่นเวลาเราแข่งขันกีฬากันเนี่ยถ้าเขาชนะเราก็ควรจะไปแสดงความยินดีไม่ใช่ไปหาว่าเขาโกงมากอย่างนั้นอย่างนี้มักมันก็เป็นเพียงแค่การกีฬาท่านเอง เป็นการกระชับมิตรไม่ตีจิตไม่ได้เป็นการที่จะมาทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องมีราวกันเล่นกีฬานี้เพื่อทดสอบว่าเรามีมุติตาจิตหรือไม่คนแพ้ก็ต้องแสดงความยินดีกับคนที่ชนะคนชนะก็ต้องไปขอบคุณคนที่แพ้เพราะถ้าไม่มีเขาเราจะไปชนะเขาได้อย่างไรนั้นทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากการเล่นกีฬาถ้ามีมุติตาจิตนะ ถ้าไม่มีมู้ิตาเนี่ยจะเกิดความเสียใจแล้วก็จะเกิดความอิจฉาลิสยาขึ้นมาเวลาคนอื่นเขาชนะเราเขาดีกว่าเราแทนที่จะไปชื่นชมยินดีมีความสุขกับเขาเรากลับไปเกลียเดเขาโกรธเขาไปไปไปเสียใจไปอิจฉาลิษยาแล้วก็อาจจะไปให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปเพราะเราจะไปหาวิธีทําให้เขา ไม่ชนะท่านจะทําหาวิธีให้เขาแพ้ให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของมูติตาจิตเวลาเราอยู่ร่วมกันเวลาใครเขาได้รับความสุขความเจริญได้ดิบได้ดีก็แสดงความยินดีไปดีกว่าดีกว่าไปว่าโอ้ยเขาดีเพราะเขาโกงดีดีเพราะเขาอย่างงน้นอย่างนี้เรื่องของเขาเขาจะดียังไงก็เรื่องของเขาเขาดีเราไปแสดงความยินดีแล้วเขาก็กับเราก็จะเป็นมิตรกันต่อไปได้น ถ้าเราไม่ไปแสดงความยินดีเราไปต่อต้านเขามิตรภาพที่เคยมีก็จะหายไปจะกลายเป็นศัตรูกันต่อไปเวลาเป็นศัตรูไม่มีความสุขนะสู้มีมิตรเป็นมิตรกันดีกว่ามีความสุขนะข้อที่สี่ก็อุเบกขาอุเบกขาคือการวางใจให้เฉยในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไร ให้กับผู้อื่นได้เช่นบางทีเราไม่มีเงินทองที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขา่าเราตอนนี้ไม่มีกำลังที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่าต้องไปเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นถ้าทำอย่างอื่นได้เราก็ทำไปถ้าไม่มีเงินใช้ร่างกายใช้เวลาไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เราก็ใช้วิธีนั้นไปแต่อย่าทาให้ใจเราต้องทุกข์วุ่นวายใจไปกับ เหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถช่วยคนอื่นได้เราก็ต้องหัดทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยแล้วก็อาจจะปองว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาไปเขาอาจจะทำบาปทำกรรมมาเราไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปหรือเราอยากจะช่วยเหลือเขา <K an> เขาไม่ยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากเราเราก็อยากไปเสียใจเมื่อเราจะช่วยเขาแล้วเขาไม่ยินดีเขาอยากจะจมน้ําตายก็ปล่อยเขาจมไปแต่อย่าไปเสีย อ, อกเสียใจเพราะไม่ใช่เป็นความผิดของเราเนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอุบเบกขาบางทีเราก็จะไม่มีความสุขเราอยากจะช่วยเขาเขาไม่ยินดีเราเสียใจแล้วกลับไปโกรธเขาสิ ตอนต้นก็อยากจะช่วยเขาพอเขาไม่ให้เราช่วยก็เลยไปโกรธเขาสแทนที่จะเป็นมิตรกลับไปเป็นศัตรูกันอีกนั้นต้องมีขอบเขตต้องรู้จักหยุดถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดต้องวางเฉยอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปเสียใจอย่าไปอิจฉาอย่าไปลิษเายอะไรทั้งสิน้นทำใจให้เฉยเฉยด้วยการไปฝึกสมาธิพุทธโธพุทธโธ อุเบกขาจะเกิดได้ต้องมีสติคอยควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดให้อยู่นิ่งๆแล้วจะเกิดความเกิดอุเบกขาขึ้นมาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือเครื่องเสริมสวยความงามของจิตใจที่เป็นความสวยงามที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันขอให้เราสวยงามทางจิตใจเพราะเป็นความสวยที่ไม่จืดไม่จางเป็นความสวยที่ บานไม่รู้เลยสวยไม่สั่งก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลัง เอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปปักปะติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจาโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานโต สัพพะโรคขวนัสตุมัเต์ภวทวันตารายสุขีธีขาโยโภาวะอภิวาธนสีลิตะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโอธรมมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลัง